จุดที่มักเผวอหรือเข้าใจพลาดเกี่ยวกับนิพพานเรื่องที่2ลักษณะที่ชวนให้สับสนหรือหลงเข้าใจผิดมนุษย์ปุถุชนทั่วไปมีชีวิตที่วุ่นวายกับความเป็นอยู่ด้านกายความเป็นไปทางวัตถุเรื่องราวและเหตุการณ์ที่มักเครียดและร้อนรุมเมื่อพบปรากฏการได้เห็นว่าพ้นวิสัยกาย เหนือวัตถุและลักษณะอาการที่สงบเย็นดูลึกซึ้งอันเห็นว่าเป็นผลสำเร็จทางจิตเป็นภาวะที่แปลกสะดุดก็รู้สึกประทับใจได้ง่ายและเพราะขาดความรู้พื้นฐานทางด้านจิตใจก็ไม่สามารถแยกแยะพิจารณาว่าอันไหนเป็นอย่างไรจึงหลงออาผลสำเร็จต่างระดับต่างประเภทมาสับสนปนเปกกันอย่าว่าแต่ปุถุชนสามัญผู้เข้ามาเห็นเข้ามาเกี่ยวข้องจะหลงเลย แม้แต่ตัวผู้ปฏิบัติได้ผลสำเร็จเหล่านั้นเองก็หลงสับสนได้มากดังนั้นความรู้ที่จะจำแนกให้ถูกต้องหรืออย่างน้อยการมีความเข้าใจพื้นฐานที่จะให้มีสติยั้งพิจารณาไตร่ตรองซสยก่อนจึงมีประโยชน์ที่จะช่วยป้องกันความหลงผิดและการปฏิบัติพลาดพร้อมทั้งผลเสียอื่นๆที่จะเกิดตามมาผู้ที่ได้ฤทธิ์มีอิทธิปาฏิหาร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 น่าเชื่อถือมากขึ้นทั้งตนเองก็อาจเคลิมใจคว้ยเควเอาสมถะเป็นวิปัสนาบางทีก็ปล่อยความคิดแล่นเลยไปว่าตนได้ประสบอริยผลแล้วส่วนท่านที่ปฏิบัติทางด้านวิปัสนาบางทีก้าวไปไกลถึงวิปัสนาสุขซึ่งเป็นอุปกิเลส ข, ของวิปัสนาแต่ไปชะ ง, งักหลงผิดเสียว่านั่นเป็นนิพพานครั้นคนทั้งหลายเห็นลักษณะอาการสงบลึกซึ้งน่าเลื่มใส